ส6 3านี่แหละผู้มีอำนาจในตนหรือผู้ไม่มีอำนาจในตนทีนี้ข้อสองปฏิบัติให้เกิดธรรมะกระทั่งตนไม่มีความเป็นอัตตาหรืออาตมันในตนคืออนัตตาได้สาเร็จจริงเพราะเป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาหรืออาตามันทั้งสได้แก่ โอราริกะอัตตามะโนมยอัตตาอารูปะอัตตาผู้ที่มีอำนาจเหนือตนเองอัตตาได้แท้ก็คือผู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นตนอัตตาหรืออัตมันและรู้แจ้งรู้จริงในประโยชน์ตนโรกุตระธรรมที่สัมมาทิฏฐิเรียกว่าอัตตะทัตถะ แล้วสามารถทําให้อํานาจในตนหรืออํานาจของตนนั้นๆอัตตาธิปไตยอยู่เหนือตนได้สําเร็จจริงอํานาจความเป็นตนสมบูรณ์แล้วในตนกล่าวคือจะมีตนหรือไม่มีตนก็รู้แจ้งจริงและทําได้สําเร็จจริงแล้วเรียกว่าผู้โหลดพ้นตนและทําความเป็นอัตตาให้ดับไปได้ ชนิดที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอนัตตาได้อย่างเห็นแจ้งรู้จริงของจริงแท้เพราะสามารถทำให้ความเป็นอนัตตาได้สาเร็จในตนกระทั้งเกลี้ยงสิ้นสนิทจนเที่ยงแท้นิจังยั่งยืนทุวางตลอดไป ส, ะสะตัตตังไม่แปรเป็นอื่นอีกอวิปริณามธรรมัง ไม่มีอะไรมาหาักล้างได้อีกด้วยอาสังหิรังไม่กลับกลําเริกอีกแล้วอาสังกุปปังเพราะดับอัตตาในตนได้สาเร็จจริงแล้วจึงเป็นผู้เห็นแจ้งภาวะจริงในความเป็นอนัตตาแท้และเป็นผู้มีสิทธิ์มีอำนาจอยู่เหนือทั้งอัตตาและอนัตตา